พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าฝืนกิเลสอย่าถือว่าการปฏิบัติธรรม เป็นการจำเจหรือว่าเป็นการปฏิบัติบ่อยหรือว่ามันใกล้เกินไปถ้าเราคิดอย่างนั้นมันมีแต่เรื่องของกิเลสกิเลสความมักง่ายกิเลสความ เห็นแก่ตัวกิเลสความเห็นแก่หลับแกนอนแกอยู่แกกินแกเที่ยวแกเตรไปในทางทางต่ำพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นขอให้พวกเราฝืนก่อนที่จะเอาดีได้ต้องฝืนต้องสู้ต้องฝืนถ้าหากว่าปล่อยไปตามใจตามอำเภอใจตามอัตถาใจ โดยมากมีแต่ไปทางต่ำไปทางกิเลสกิเลสพาไปกิเลสพาชักลากไปถูไปไถไปกว่าที่เราจะรู้ได้พอแรงแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ก่อนที่จะพวกเราจะทำอะไรลงไปให้พวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงให้มีสัจจะออสัจจะตัวนี้แหละออสัจจะปรเมสัมปนโนถ้าพวกเรามีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวกิเลส ต, ตัวไหนก็เข้ามายากเพราอะไรเพราะเรามีสัจจะ เอาเถอะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปถ้าข้าพเจ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราไม่มีอุปสรรคหนักหนาจริงข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระหรืออย่างน้อยข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าถึงข้าพเจ้าจะไม่ได้มาวัดก็เถอะข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถ ทกวันพระตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าตลอดไปตลอดชีวิตเพราะว่าสินห้าข้าพเจ้าอายุถึงปูนนี้แล้วไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้ากดจงดอทินนาทานเราก็ไม่มีอยู่แล้วกาเมสุมิชชาจยา์ ก็ไม่มีอยู่แล้วมุสาเออมีบ้างแต่ถึงยังไงข้าพเจ้าจะระวังสุราก็ไม่มีอยู่แล้วนะเซิงเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมีสัจจะให้คือความจริงจังและจริงใจในใจของตนเองต่อไปก็มีสัจจะในการประพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจของเราก็จะได้รับการพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าว่าพวกเรา ทำอะไรมีแต่ล้มเหลวมีแต่ทําไปสักตว์ทำไ ป, ำ ไ, ปไม่ได้มุ่งหวังไม่ได้ตั้งใจไม่มีความมุ่งมั่นด้นจิตในใจความเจริญในธรรมก็จะเจริญได้ยากเพราะมันสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันเจาะมันกัดมันเจาะมันชัยมัน ติดพบติดชาติมานมนานเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้ก็คือคารวะทำรายฝ่ายพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนเออก็ให้มีความตั้งใจให้ความมีความมุ่งมั่นเอาจริงจังอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านหนีออกจากเวียงหวังท่านบอกว่า เราจะตายดาบหน้าเราจะไม่กลับมาเวียงวังอีกเป็นเด็ดขาดนะถึงจะล้มจะตายยังไงก็ตามข้าพเจ้าจะไม่กลับมาอีกข้าพเจ้าจะหาทางพ้นทุกข์ในวัะสงสารต่อไปถ้าว่าพระองค์ยังมีความรือไปสักหน่อยแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คงจะกลับมาเวียงวังถ้าไม่สมหวังดังปรารถนาพระองค์กิเลสตัวนี้มันก็คงจะ น้มน้าวก็มาหาเวียงวังเพราะว่ากิเลสในพระไทยในใจตัวนี้นะ่ะมันดึงดูดไอยู่เสมอเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านก็เหมือนกันที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราเข้ามาบวชอย่างนี้และแล้วให้คิดดูให้ดีการกลองดูให้ดีอย่าไปหลอกตอนเองให้มีความมั่นใจ ศึกษาดูให้ดีเราควรจะมีตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานในใจชีวิตนี้ข้าพเจ้าขอมอบไว้กับพระพุทธศาสนาขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อกุญงามความดีต่อความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารข้าพเจ้าจะไม่กลับมาเวียนไหวตายเกิดจะไม่เป็นกลับไปเป็นครวญอีกพูดง่ายๆ ข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตกับบรรพชิตในเพศนี้เท่านั้นแต่ว่าก่อนที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่เราให้บวกลบคูณหารดูให้ดีแต่จิตใจของเรามันเดี๋ยวก็ตี ก, ก, ก, ก, กับเดี๋ยวก็ไปหน้าเดี๋ยวก็ถอยกลับเดี๋ยวก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเราเราต้อง มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจมีสัจจะในใจตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่เลยอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นในใจเด็ดขาดแล้วน่ะนี่ะทที่จะไม่ปรากฏก็จะปรากฏขึ้นในใจของเราสิ่งที่ อย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นในใจของเราก็จะปรากฏขึ้นในใจเพราะนั้นขอให้พวกเร า, เาให้มุ่งมั่นในตั้งใจนะอตอนที่ก่อนที่จะถึกถึงจุดนั้นน่ะให้พวกเรากั้นก่องไตรตรองด้วยเหตุและผลให้ดเีเมื่อดีแล้วนั่นไม่ใช่จะพูดบนเอาเฉยๆนะคองผ้าเสเวียงบาอีต่างหาก เออขึ้นมาจุดธูปเทียนต่อหน้าพระประธานจากนั้นก็ไหว้ พ, พ, พระอิติปิโสพระควาสวดจบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่เลยเข้าพเจ้าชีวิตทั้งชีวิตของข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งชีวิตเนี่ยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเท่านั้นฮะแต่ว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความใต้ตั้งใจอย่างนั้นแหละมันเย็นสบายนะ มันเย็นสบายเลือกๆเลยในใจของเราอย่างหลวงปู่จามก็เหมือนกันท่านว่าท่านบําเพ็ญภาวนาอย่างไงอย่างไงมันกระใจก็ยังร้อนอยู่เอ๊ะมันทําไมจึงร้อนเราก็เราว่านั่งภาวนาถือนเนจเชีตลอดสมเดือนเราก็เคยทำํำ เ, เรานั่งหรืเอเราเดินภาวนาอย่างไงมันก็ยังมีความรู้สึกในจิตใจอยู่เมื่อเทวาหนทางของเรา เวลาเรานั่งภาวนาไปเห็นแต่ต้นโพเห็นแต่พระพุทธรูปของเก่าแกออ่ที่เราเห็นในความรู้สึกในดิมิตท่านก็เลยบอกเราคงจะเป็นออปรารถนาเป็นพุทธภูมิเสรรมั่งถ้าเป็นลักษณะนีออ้พอเราก็พั่านก็กันกองไต่ตองด้วยเหตุและผลนานพระสมควรผลที่สดท่านก็เลยคลองผ้าเสเวียงป่าอย่างที่ว่าน เอาเถอะข้าพเจ้าขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเนีย่ยถึงจะช้านานขนาดไหนก็เถอะคงจะเป็นบุญบารมีของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนี้แต่ท่านตั้งใจอธิษฐานเสร็จแล้วเปิดบอกโอ้ใจของหลวงสิมันเย็นสบายมีความสุขลึกๆจิตใจไม่เดือดร้อนขวัญความร้อนในจุดนัน้นหายไปเลยฮ้หายเหมือนกับปิดทิ้งล่ะใครจะพ้นทุกยังไง เป็นอย่างเอาไปแต่ข้าพเจ้าเนี่ยนะถึงข่าวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงจะไปในคราวนั้นทันวานว่าอันนี้ก็คือหลวงปู่จามแต่พวกเราไม่เอาถึงขนาดนั่นหรอกขอให้พ้นทุกในวัตะสงสารถึงแดนพระนิพพานพอเรามองดูแล้วโลกคืออะไรโลกวัตะสงสารคืออะไรมันมีอะไรมันมีความสุขอย่างไรมันมีความสุขที่แท้จริงไหม เมื่อเราบวกลบคูณหารดูให้ชัดเจนแล้วนะแล้วเราก็เ น, นี่ยตั้งจิตอธิษฐานเลยตัดพดในจิตใจเลยนั่นแหละเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละความสงบผาสุกในจิตใจก็จะเกิดขึ้นให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นสมาธิที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นปัญญาวิปัสสนาที่มันจะเกิดมันก็จะเกิดขึ้น เพราะเหตุไรเพราะใจของเราเป็นหนึ่งเดียวมันไหลเป็นในทางเดียวหาทางพ้นทุกเท่านั้นนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราพระลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายสถาญาติโยมทั้งหลายทําอะไรให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในเมื่อเรามีสัจจะแล้วทนี่เราจะเป็นนั่งภาวนาที่ไหนเดินอย่างกลมอย่างไรใจของเราก็แน่วแน่เพราะว่าร่างกายของเราทั้งร่าง เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นสิ่งไหนที่มันเป็นศีลเป็นธรรมสิ่งไหนที่เป็นธรรมวินัยสิ่งไหนที่ประทำคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกกล่าวแนะนาและข้าพเจ้าจะเดินตามสายนั้นจะไม่ปีกแวะไปทางอื่นนี่แหละจากนั้นเวลาเรานั่งภาวนาเราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนาตาพิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณา พิจารณาเรื่องอะไรก็จะเห็นได้ชัดเจนเพราะเหตุไรเพราะใจของเรามีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่มันไหลไปนในทางเดียวมีความมุ่งมั่นในจุดนั้นนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านเราดูสิพุทธประวัติของพระพุทธเจา้าพอท่านหนีออกมาจากเวียงวันฟังท่านในบวชแล้วท่านไม่ได้มุ่งหวังไปอย่างอื่นท่านทดลอง ไม่รู้ว่ากี่ทดลองผลให้ส่ก็ยังทดลองยังไปศึกษากับพวกดาบทอีกระบบดาบทอยู่ในละแวกนั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการบมเพนเพศบาเพนฌานของฤอษีแต่ท่านเหล่านั้นก็เก่งเป็นสมาธิแต่พระองค์ได้เข้าไปศึกษาดูแล้วมันเป็นฌานก็รู้ไล้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไม่ใช่หนทาง ยังไม่ยังไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกได้ท่านก็ลาออกจากฤาษีดาราระบบอุตธกนะเนี่ยสองฤาษีแต่ท่านฤาษีเราทั้งสองท่านก็วิงวอนนะทนละสานักกันนะสองฤาษีไม่ใช่สานักเดียวกันนะคนละสานักท่านก็เห็นศีรษะไปบําเพ็ญสอนให้ท่านก็ได้รู้ได้เร็วเพราะสอนนะ่ยรู้ได้เลยอจะเพื่อเพือจะเก่งกว่าอาจารย์อีกแนี่ท่านก็ยอมรับเลย เออท่านรู้แล้วจบภูมิของผมแล้วให้ท่านเป็นอาจารย์แทนผมนะพระพุทธเจ้าไม่รับศีรษะไม่รับไม่ท่านฤาษีผมยังไม่รับข้าพเจ้ายังไม่รับนะออข้าพเจ้าขอออกไปบําเพ็ญตามออลําพังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ออกมาบําเพ็ญด้วยพระ อ, องค์เองจากนั้นก็ได้ตัสรู้ปอนุทลสัมมาสัมโพธิญาณ สรุปแล้วก็เหมือนกับพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับหาทางออกอยู่ตลอดเวลาจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัตฏะสงสาราไปให้ได้นี่จะทำยังไงเน่ยเป็นสงแสวงหาทางอยู่ตลอด อ, อันนี้พวกเราไม่ได้ ส, สแสวงหาทางมีแต่ศึกษาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วก็ พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีแนวทางอยู่แล้วสมัติธรรมยังไงวิปัสสนาทํำยังไ ง, ง, ไงสมัติธรรมคือทําจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้สงบให้ให้จิตใจให้แน่วแน่เป็นหนึ่งจากนั้นเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วก็นำมาพิจารณาการกรองไต่ตรองเหตุและผลพิจารณาอสุภะปฏิกูลเพราะ ร่างกายใจของเรานะ่มันหลงร่างกายถือว่าร่างกายนเป็นของเสร็จสวยงดงามในเมื่อหลงร่างกายตัวเองนะั่นะไปหาคว้าร่างกายของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติของร่างกายของตัวเองทั้งที่ร่างกายของตัวเองก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายนันก็จะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟอยู่แล้วนะนะใจนะนี่ในเมื่อ เรามีทาเข้าสู่จิตใจจิตใจผ่านความสงบจิตใจผ่านความเป็นหนึ่งจิตใจสงบแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองใจกับกายกายกับใจมันเห็นได้ชัดจากนั้นพิจารณาถึงกายกายก็เป็นอสุภะปฏิกูลกายเป็นของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงไม่เป็นอย่างอื่นพิจารณาอย่างไงมันก็จริง เ, เพราะกระดูกอยู่ข้างใน ถ้าว่าเราพิจารณาเกิดไม่ถึงไม่เห็นหนึ่งกระดูกไม่เห็นของเป็นอสุภะร่างกายของสเราเสร็จสวยงดงามไปหมดอันนั้นมาเป็นสุภาษนี่งความสวยงามมันอันนั้นแปลว่าจิตใจของเราไม่ได้ฝึกเห็นโลกวัตสงสารไปเลยท่าไม่ใช่เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลไม่ใช่เห็นธรรมลยท่าเนีมันเห็นของกิเลสไปแล้ว่าเนีอุปโลกเป็นกิเลสขึ้นไป ตัวเองจะไม่ตายร่างกายสวยงามมองทีไหนสวยงามไปหมดในร่างกายขนาดอุจจาะอยู่ในลำไส้อยู่ในออกมาก็ยั่งสวยงามมันมองไปสวยงามไปหมดขนาดด้านเชียวเหลือเฮ้ใจนะมองไม่เห็นความเป็นอสุภะบางเหลือใจนะถ้ามันใจที่ผ่านความสงบผ่านความเป็นหนึ่งมาแล้วจิตใจสงบเนื่งมาแล้ว นำมาพิจารณาร่างกายมันจะเห็นได้ชัดเลยเอออีกสักวันหนึ่งตายแน่นอนนะก็ใจนะเห็นไหมเห็นคนตายให้ดูไหมเคยเห็นไปเผาไฟให้เห็นให้เห็นไหมเออเคยเห็นอาจารย์ใหญ่ไหมที่เขาแขวนไว้เน่เป็นกระดูกร่างกระดูกเห็นไหมเราจะเป็นอย่างนั้นไหมใจนี่แหละเอ่อเมื่อเราใจของเราสู่ความสงบแล้วเทียบนอกเทียบใน เทียบเขาเทียบเราเทียบสัตว์ประสาททั้งหลายที่เราเห็นล้มหายตายเกื่อนตามถนนหนทางอย่างพวกหมาเห็นอะไรแมวจัดอะไรตายเนี่เราก็น้อมมาหาตัวเองอีกสักวันหนึ่งฆ่าเนี่ยเขเหมือนกับพวกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะใจนะมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวผู้รู้คือใจตัวนึกคิดนะตัวใจนะั่นน่ะ จากนั้นก็นํามาพิจารณากายเมื่อพิจารณากายเห็นกายของตนเองชัดเจนแล้วก็เห็นกายของคนอื่นเห็นสิ่งแวดล้อมคนอื่นมันมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นแต่ปัจจัยอาศัยมันไม่ใช่เนื้อใช้นังมันไม่ใช่ที่จะพักพิงอิงอาศัยชั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งนะ่ะพักพิงอิงอาศัยแล้วก็ต่างคนก็ต่างหนีออกจาก ออร่างกายของตนเองนะ่ะเพราะนั้นอย่าไปลุ่มหลงนใจนะนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายออตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแตออ่ปฏิบัติให้มุ่งมั่นให้มีศีลให้มีสัจจะกับตนเองให้มีสัจจะกับตนเองให้รักษาศีลทุกวันพระเออรือว่า อุโบสถทุกวันพระถึงจะไม่ได้มาถ้ามีเวลาก็จงรักษาให้ได้ถ้าเว้นเสียแตาเรามีความจำเป็นจริงเออเอาของงดไปก่อนแต่เมื่อมีโอกาสเราจะรักษาสินย้อนหลังเอกมีสินห้าแล้วก็ให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอย่าได้ขาดนี่แหละการบมเพ็ญอย่างนี้แหละคือการบมเพ็ญด้วยความ จงใจและตั้งใจจากนั้นก็ภาวนาไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ครั้งใดต้องครั้งหนึ่งใจของเราจะเข้าสู่ความสงบแล้วเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วน ะ, ะจิตใจมันเข้าในโครจรตัวนี้แล้วเนีมันมีแต่ความสบายอกสบายใจจิตใจหนักแน่นมั่นคงในใจ อันนี้ก็คือฝ่ายฆราวาสท้ำรายพระก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้มีความมุ่งมั่นให้มีความตั้งใจให้มีสัจจะกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วนั่นตั้งจิตอธิษฐานเลยตัดชั่วเลยจะไปเยื่อใยในในโลกถึงจะ ก, กิมอิมมีพีมันธนุถนอมขนาดไหนก็เถอะมันไม่อยู่ชั่วฟ้าดินสลายหรอกอีกสักวันหนึ่งจางกงกระตังแยกแย้ายกัน เราพิจารณาดูแล้วเห็นแล้วร่างกายมันก็เท่านั้นสมบัติในโลกก็เท่านี้เห็นใครมีความสุขมีไหมเขาจะไม่หนีจากโลกจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทบทวนดูให้ดีแล้วก็จากนั้นก็ตัดใจของเราเลยเ อ, อย่างที่พระพุทธเจ้ า, าท่านมองเห็นเวียงวังมองเห็น การเป็นอยู่ของพระ อ, องค์พอนั้นล่ะหันหลังให้เด็ดขาดเลยต้องออกหาทางพ้นทุกข์ให้ได้ดีก็เหมือนกันอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านก็สอนบอกกล่าวไปแล้วพวกเราให้ศึกษาพอศึกษาตามแนวแถวทำคำสอนเห็นด้วยกับพระพุทธเจา้าในเมื่อทา เมื่อเราจิตใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วเรากันกรองไตรตองด้วยความสงบของเราเน่งแลวกันกรองด้วยดีนะั่นแหละเราก็ตัดสิงใจด้วยสัจจะของเราเลยนี่แหละเมื่อสัจจะตัวนี้เข้ามาตัวลวนเลยสงสัยแล้วนั่นใจของเราจะหมุนไปในทางเดี่ยวาทางเดี่ยวมันไหลไปทางเดี่ยว มีแต่เด่งไปทางยังไงจรึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารนี่เองร่างกายทั้งร่างเราเป็นเครื่องบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสียแล้วมีแต่ใจของเราที่นะีจ่จะทําังไรจรึงจะพ้นทุกข์จึงจะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจของเราเนะี่ยนี่แหละ อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมุ่งมั่นตั้งใจนะในการประพฤติปฏิบัติธรรม่ไม่ใช่ว่าไม้ปักคีเลนเลมพัดมาทางไหนก็เอ็นใช่เอ็นขวาเอ็นหน้าเอ็นหลังผลที่สุดก็เลยเหากดหาเกณฑ์ไม่ได้เขาว่ายังไงกน็นั่นและลอยไปตามากิเลสราคะโทสะโมหะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเรานะมุ่งมั่นนะมันมีอะไรที่มัน เห็นเห็นคนทางนอกมันมีอะไรเนี่ยมันมีความสุขจริงเหรอมันไม่เห็นจะมีอะไรถูกเนื้อหาสาระจริงๆแล้วมีแต่ทกทางนั้นนะการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะทีนี้นะหรือว่าท่านเสียงมีอะไรที่จะเปิดเทพอีกสักกันหนึ่งก็ยังได้นะทดลองกันจะกันก็ได้นะนั่งสมาธิฟังไปเรื่อยนะ